พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปาระสูตรที่15พัทธาลิสูตรสูตรว่าด้วยพระพัทธาลิพระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตรัสสอนพระพัทธาลิผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศิกขาโดยทรงเตือนให้สํานึกว่าพระผู้มีพระภาคภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสมณพราหมณ์ลัทธิอื่น จะรู้ว่าพระพัทธาลิไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาซึ่งพระพัทธาลิก็ได้สำนึกตนกราบทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคตรัสรับขมาแล้วได้ตรัสแสดงความประพฤติของภิกษุสองฝ่ายคือฝ่ายที่ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาซึ่งถูกติเตียนกับฝ่ายที่ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาซึ่งไม่ถูกติเตียน และบำเพ็ญคุณธรรมได้ตั้งแต่ฌานสี่ยานสามมีอาสวะขยะยานคือยานอันธ ร, รมอาสวะให้สิ้นเป็นที่สุดตรัสแสดงถึงภิกษุสองฝ่ายคือฝ่ายที่ต้องอาบัตบ่อยๆมากไปด้วยอาบัตเมื่อภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวก็พูดหลีกเลี่ยงไปต่างๆภิกษุทั้งหลายก็จะพิจรารณาคือจัดการกับเธอ ในทางที่อธิกกรจะไม่สงบระงับไปโดยพลันแต่บางรูปต้องอาบัตบ่อยๆเป็นต้นแล้วไม่พูดหลีกเลี่ยงไปต่างๆภิษุททั้งหลายก็จะพิจารณาคือจัดการกับเธอในทางที่อธิกกรจะสงบระงับไปโดยพลันอีกฝ่ายหนึ่งต้องอาบัตเป็นครั้งคราวไม่มากไปด้วยอาบัตแต่พูดหลีกเลี่ยงก็มี ไม่หลีกเลี่ยงก็มีภิกษุทั้งหลายก็จะพิจารณาจัดการกับเธอในทางที่อธิกรณ์จะไม่สงบระงับหรือสงบระงับโดยพลันสุดแต่ความประพฤติเมื่อถูกว่ากล่าวของเธอทรงแสดงถึงการที่ภิกษุบางรูปเป็นอยู่ด้วยศรัทธาด้วยความรักคือบวชใหม่ยังไม่รู้เรื่องศาสนาดี ก็อยู่ได้ด้วยอาศัยศรัทธาและความรักในอุปัชฌายอาจารย์ภิกษุทั้งหลายคิดสงเคราะห์เธอด้วยเกรงว่าศรัทธาและความรักของเธอจะเสื่อมไปเหมือนญาติมิตรช่วยกันรักษาตาข้างเดียวของชายผู้มีตาข้างเดียวฉะนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามถึงเหตุที่สิกขาบทมีน้อยในการก่อนมีภิกษุมากรูปตั้งอยู่ในอรหัตผล แต่ในบดนี้สิกขาบทกลับมากขึ้นภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลกลับน้อยลงจึงตรัสตอบว่าเป็นด้วยสัตว์ทั้งหลายกำลังเสื่อมสัตวธรรมกำลังอันตรธานครั้นแล้วได้ตรัสว่าประศาสดาย่อมไม่บัญญัติสิกขาบทจนกว่าธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะคือกิเลสอันดองสันดาน จะปรากฏในภิกษุสงฆ์ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะจะยังไม่ปรากฏในภิกษุสงฆ์ตราบใดที่สงฆ์ยังไม่เป็นกลุ่มใหญ่ยังไม่มีลาบยศไม่มีการสดับตรับฟังมากไม่รู้ราตรีนานขึ้นคือล่วงเวลานานขึ้นและในที่สุดตรัสแสดงธรรมเปรียบด้วยม้าอาชาในที่ได้รับการฝึกสิบประการ จนมีคุณสมบัติครบสิบอย่างควรแก่พระราชาชันใดภิกษุผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบเป็นต้นจนถึงสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นชอบเป็นที่สิบก็เป็นผู้ควรแก่การบูชาจนถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกชั้นนั้น